ข้าพเจ้าพระภัยบูนะพี่พุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยในเรื่องราวอันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าบทพัญญัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้แต่มันก็มีสิ่งที่เป็นพระสูตรหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวเป็นเนื้อหาที่เล่าเลต่อๆกันมา หรือบางส่วนจะเป็นบทสนทนาระหว่างคนนี้กับคนนั้นซึ่งบางทีบทสนทนาก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นประสูตรหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็นการอุทานขึ้นใน อ, อยู่ๆพระพุทธเจ้านั่งอยู่องค์เดียวก็ตรัสคาถ า, าหรืออุทานอะไรอย่างใดหนึ่งออกมาหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็นคํากลอนเป็นร้อยกรอง เ, เหมือนกับกลอนที่เราได้ฟังกัน จะเป็นลักษณะของภาษาบาลีอย่างนั้นก็เรียกว่าคถาลักษณะนั้นก็มีหรือว่าเป็นการเทศสอนหมู่พิกษุโดยเฉพาะเจ้างกับพวกพิสุต่างๆก็มีหรือว่าเป็นการถามตอบคําถามพวกปริพาโชกหรือว่าใครมาแต่งคาถามมาถามจะต้องการให้จนพระเจ้าก็ตอบไปลักษณะนั้นก็มี นะซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คนที่เขาอยู่ในสมัยร่วมสมัยกับพระพุทธาเนี่ยก็จำเอาไว้นะจําตรงนั้นจําตรงนี้ช่วยกันจําไว้แล้วก็บอกต่อสืบ ต, ต่อกันมาพอบอกต่อสืบต่อกันมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วนะในหลังจากนั้นก็มีการมาลงอักษรเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานแล้วก็มีการแปลมาเป็นภาษาต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันที่เราศึกษาเรียนกันมานี้แล้วก็เป็นหลักฐานที่มาจากทางภาษาบาลีแล้วก็มีการแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราได้ศึกษาร่ำเรียนเล่าเรียนกันซึ่งในหมวดธรรมต่างๆนั้นก็จะมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หมวดที่เขานับเป็นตัวเลขได้เขาก็จะนับเป็นตัวเลขหมวด2หมวดหนึ่งอะไรก็ว่าไปซึ่งในวันนี้ก็จะนําธรร ม, มะมีอยู่3ามอย่าง ที่จะนำมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังฟังก็สืบเนื่องจากมีอุบาสกท่านหนึ่งก็เป็นคนดูดอนนี่แหละเขาก็มาหาขพเจ้าแล้วก็เล่าให้ฟังนะถึงเรื่องลูกกับเรื่องเมียของเขานะซึ่งลูกกับเมียของเขานี่ย อ, อยู่จังหวัดโคราช อ, อยู่จังหวัด น, นครราชสีมาตัวเองนั้นก็รักลูกมากแต่ว่า ก็โดยเหตุบางประการทําไม่ต้องแยกกันไปนะสามีก็อยู่ที่อุ ด, ดอรภรรยากับลูกก็อยู่ที่โคราชแล้วนะได้ทราบข่าวนะตัวอุบาสกณ น, นี้ก็ได้ทราบข่าวว่าลูกเขาเนี่ยป่วยนะป่วยเข้าโรงพยาบาลลูกเขาอายุ5ขวบด้วยความคิดถึงลูกอายุ5ขวบนะป่วยเข้าโรงพยาบาลนะลูกอยู่จังหวัดโคราชตัวเองอยู่จังหวัดอุดรแล้วก็มาหาพระนะคงจะคิดว่าพระ จะช่วยบรรเทาความโศกอะไรต่างๆให้ได้ก็ได้พูดคุยสนทนากันในที่นั้นก็มีคําหนึ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องนําเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังฟังท่านเขาบอกอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยรักลูกมากเลยนะตายแทนลูกได้เลยนะรักเท่าชีวิตว่าอย่างนั้นด้วยความรักของพ่อหที่รักลูกมากจากนได้ว่าจะให้ตายเนี่ยก็ยังตายแทนได้ ก็จึงจะเป็นจะต้องไปหาลูกไปอย่างนั้นทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงพระสูตรนี้ใ น, นพระสูตรที่เรียกว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นนในหมวดของก็เรียกว่าตัิกันิบาดติกนิบาตในอังคุตรานิกายพูดถึงภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้สมมุติว่าถ้าใครสักคนหนึ่ ง, งจะบอกว่าเนี่ย ถ้ามีภัยเช่นไฟไม้ใหญ่ตั้งขึ้นหรือว่าโจรขโมยนมาปล้นหรือว่าน้ําท่วมชนิดที่เรียกว่าหูดับตับไหม้เลยน้ําท่วมมากบางครั้งน้ํามาดาก็ไปทางบุตรก็ไปทางช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้นะนี้บางคนจะเข้าใจว่าภัยลักษณะเนี้ยเป็นภัยที่มารดาและบุตรนะช่วยกันไม่ได้และจริงๆแล้ว ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้3าอย่างนะคือภัยที่เกิดจากความแก่ภัยที่เกิดจากความเจ็บภัยที่เกิดจากความตายแตนะความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละมารดาจะมาบอกว่าฉันแก่แทนเธอฉันเจ็บแทนเธอฉันตายแทนเธ อ, เ, ธอเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแตนะไม่ว่าจะพ่อหรือแม่เถอนะกนะ็ไม่สามารถทําได้ไม่สามารถที่จะช่วยกันได้นะคือพ่อจะบอกว่า ให้พ่อเจ็บแทนลูกอย่าเจ็บนั้นมันเป็นแบบไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรือพ่อหรือแม่ก็ตามในที่นี้พระเจ้าพูดถึงแม่แต่ซึ่งในตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยคือตัวพ่อแตพ่อนี่มีความคิดว่าขอให้เจ็บแทนเพื่อลูกจะได้ไม่เจ็บหรือถ้าจะให้ตายแทนเพื่อลูกจะไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บก็จะขอทำแต่ซึ่งมันเป็นฐานะที่ที่เป็นไปไม่ได้ภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย นะแม่จะมาขอว่าให้ฉันตายแทนนะลูกไม่ต้องตายนะหรือว่าลูกจะเสียสละชีวิตแทนแม่นะคือให้ลูกตายแล้วแม่จะมีชีวิตอยู่หรือในทางตรงข้ามก็ตามพ่อตายให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปนะซึ่งถ้าเขาอยู่ต่อไปยังไงก็ตายอยู่ดนะีอันนี้ครับเจ้าต้องการจะพูดถึงแง่มุมตรงนี้ว่าถ้าไม่ได้ตายณนะปัจจุบันนั้นนะคืออย่างเราพูดถึง เขามีการถ่ายชีวิตโคลกระบืออย่างเงี้ยถ่ายชีวิตโคลกระเบือสัพทที่เขาจะใช้ถูกต้องก็คือถ่ายชีวิตโคลกระบือให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าแต่ความตายในเฉพาะหน้าก็คือว่าเอามันจะเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วมันจะตายละเอาก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาไปเลี้ยงเป็นการช่วยให้มันพ้นจากความตายเฉพาะหน้าแต่ยังไงไอ้วัวควายพวกนี้มันก็ตายอยู่ดีเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเออเราจะช่วย ลูกเราพ่อเราแม่เรานะให้พ้นจากความตายนะเฉพาะหนะ้ามันอาจจะเป็นไปได้นะแต่ยังไงความตายก็ยังต้องมาพรากบุคคล น, นั้นไปอยู่ดีบุคคล น, นั้นยังไงก็จะต้องตายอยู่ดีคือไม่ตายด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะรักษาจนกระทั่งมะเร็งตัวเองหายนะมะเร็งนี่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะถ้าใครเป็นแล้ว แล้วก็มีหลายส่วนที่จะตายใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถรักษาโรคมะเร็งหายแล้วก็มีบางคนรักษาโรคมะเร็งหายไปตายด้วยโรคหัวใจแต่บางคนรักษาโรคมะเร็งหายไปตายด้วยอุบัติเหตุมันก็ตายอยู่ดีหมอที่รักษามะเร็งเก่งๆก็ยังตายอยู่ดีแต่แต่ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหรอกแต่ความตายนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทีม่มันช่วยกันไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าแล้วการที่เราจะ ช่วยใครสักค น, กนหนึ่งให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทาหรือไม่แตยกตัวอย่างเช่นทหารหรือว่าประชาชนที่มีความซื่อสัตย์อย่างนี้เขาก็มักจะพูดกันว่ายอมตายแทนเพื่อพระราชาได้คือยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้พระราชาเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปสมมุติถ้ามีภัยอันตรายใดๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ยอมเอาตัวเองเข้ารับแทนเพื่อให้พระราชารอดชีวิตอย่างนี้ไปต้น ในะซึ่งลักษณะนั้นก็เหมือนกับการช่วยให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าแตนะ่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่แล้วก็ต้องตอบว่ามันอยู่ที่ว่าคุณทําปรารบเหตุอะไรในกรณีของมารดาบิดาเนี่ยทำเพราะว่าปรารบเหตุนะคือความเมตตานะความรากักความเมตตาที่มีต่อ บ, บุตรแล้วนะก็ยอมสละชีวิตตัวเองในสมมุติว่าในสถานการณ์ที่แห้งแล้งอาหารไม่มีเลยแล้วนะตัวเองยอมอด น้ำนี่เหลือแค่แก้วสุดท้ายหยดสุดท้ายน่ะตัวเองยอมอดแต่ให้ลูกได้กินอย่างเงี้ยน่ะเพราะตัวเองยอมตายละ่ะแต่เพื่อให้ลูกได้มีชีวิตอยู่ก็คือให้เขาพ้นจากความตายเฉพาะหน้าปราบลบเหตุน่ะคือความรักความเมตตาที่มีต่อบุตรเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้น่ะทำได้เพราะว่าความตายเฉพาะหน้ามันอาจจะพอช่วยป้องกันได้น่แต่ก็ต้องระลึกถึงธรรมะว่าเออไอความตายเนี่ยมันมันช่วยกันไม่ได้นะ เราทราบข้อมูลตรงนี้นะหนรืองว่าอย่างทหารที่เขายอมตายแทนประราชาเนี่ยแปลว่าปรารบเหตุคือความเกียรติยศแต่ถ้าเขาได้ตายในสนามรบนะเป็นผู้ที่สละชีพเพื่อราชบัลลังก์อย่างนีนะ้เป็นผู้ที่มีเกียรติยศสูงแล้วนะก็อาศัยเกียรติยศนั้นนะในการที่จะสละชีพของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันราชบัลลังก์อย่างนี้เป็นต้นแลนะหรือแม้แต่พระสงฆนะ์พระพุทเจ้าก็เคยตรัสไปนะว่าจะรักษาธรรมวินัย แต่แม้จะเสียชีวิตก็ตามแต่ถ้าเขาเอาปืนมาบังคับเอาท่านไปให้ เ, เสร็จไม่ทุนเอาก็เป็นพระมันเสร็ม่ทุนไม่ได้ถ้าไม่เสร็จจะยิงเอาก็ต้องยอมตายนะเพื่อรักษาซึ่งธรรมวินัยเหนะเพื่อรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในะต้ก็ไม่ว่าเลยแต่เกียรติยศในะเกียรติยศให้รักษาเอาไว้ในะเกียรติยศในที่นี้ก็คือคุณธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังคุณธรรมอะไรในใจ ที่เราจะยกขึ้นมาเพื่อที่จะสละชีวิตของตัวเองอย่งครูบาอาจารย์ในที่ท่านไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยสละตายเลยเอาเจอเสือเจอช้างก็ไม่กลัวยอมตายเพื่อที่จะขอหเห็นธรรมะเพื่อที่จะให้จิตสงบเพื่อได้ให้จิตเป็นสมาธิอยู่วิเวกลีกเร่งคนเดียวนยอมตายเพื่อธรรมะอย่างนี้ก็มีซึ่งศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ต้นนี้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเกียรติยศในเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของสมณะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารประชาชนมราบิดาประชาประสงค์ในการที่เราจะสละชีวิตตัวเองในะเพื่อที่จะรักษาคุณธรรมนะอันเป็นเกียรติยศของแต่ละบุคคล น, นั้นเอาไว้แนละเป็นสิ่งที่สามารถทําได้และสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพิ่มเติมก็คือว่าเราจะไปรักษานคนอื่น เพื่อที่จะให้เขาพ้นจากความตายคือตายแทนกันอะ่ะมันไม่ได้แนะสิ่งที่จะทําให้เรารอดพ้นนะจากความเกิดความแก่ความตายนั้นต่างหากนะที่จะช่วยรักษาเราหมายความว่าไงอย่างภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้นะัคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้เนี่ยที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยก็คือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายถูกไหม ความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้นะแล้วไอ้เจ้าภัยที่ยังจะพอช่วยกันได้บ้างนะเช่นเวลาที่ไฟไหม้ตั้งขึ้นาไฟไหม้แบบไฟไหม้สลัมคลองเตยบึมๆขึ้นมาเนะี่ยลูกไปทางแม่ไปทางตรงนั้นเนี่ยบางทีแม่ลูกก็ยังช่วยกันไดนะ้พ่อลูกบางทีช่วยกันได้เราคิดว่าเราจะตายแทนผลักให้เขาออกไปนะเราถูกไฟคลอกตายนะเราก็ยังช่วยเขาได้นะให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าได้ หรือยังกรณีน้ําท่วมนะจนกระทั่งข้าวปลาอาหารไม่มีแห้งแล้งแล้งไปหมดไม่มีอะไรน้ําจะกินอย่างเงี้ยมีน้ําเค็มหรืออย่างซูนามิพัดมาอาหารขาดแคลนอย่างเงี้ยเรายอมสละอาหารที่เรามีอยู่น้อยนิดให้ลูกนะเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตต่อไปเราล่ะยอมตายแทนแต่นั้นยังเป็นลักษณะที่ยังพ่อจะช่วยกันได้นะให้พ้นจากภัยเฉพาะหน้าพระพุทิเจ้าตรัสภัยตรงเนี้ยที่เกิดจากวาไฟไหม้ใหญ่ก็ตาม มีกระบฏมีโจรยกทัพมาเพื่อจะสปล้นบ้านเมืองนะหรือว่ามีเม็ดน้ําท่วมใหญ่3ามอย่างนี้แตนะ่จริงๆแล้วเป็นภัยที่ยังจะพอช่วยกันและกันได้นะช่วยกันและกันหมายความว่าไงหมายถึงช่วยกันให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าได้นั่นแหละแต่ยังกรณีของทหารยอมสละชีวิตเพื่อพระราชาแตนะ่ยังพอจะช่วยกันได้ให้พ้นจากความตายตรงนี้เฉพาะหน้าได้อยู่ทั้ง3อย่างภัยที่ทั้งพอจะช่วยเดือกันได้ภัยที่ ช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นไฟไ ห, ม, ห, ม, หม้ครั้งใหญ่โจรกระบฏยกมาหรือว่าน้ําท่วมครั้งใหญ่ก็ตาม6อย่างนี้สามารถรอดพ้นได้บระเจ้าบอกว่าภัยทั้งอย่างละ33มเนี่ยนะหอย่างเนี่ยเป็นภัยที่สามารถที่จะเลิกเพิกถอนนะหลุดพ้นก้าวล่วงเสียจากภัยทั้ง6อย่างเหล่านี้ได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์แแต่ถ้า เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีวงแปดนัตั้งแต่สมาธิิสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตตาสมาชีวะสมาวิมารสมาสติสมาสมาธิพูชันสั้นนะก็คือศีลสมาธิปัญญาเรารักษาศีลของเราให้ดีเราเจริญสมาธิของเราให้ดีเราให้พิจารณาเห็นปัญญาความที่เป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแค่นี้เราชื่อว่าจะรักษาจะทําให้เรารอดพ้นก้าวล่วงเสียจากภัยทั้งหลายเหล่านั้น เพราะฉะนั้นการที่เราจะยอมสละชีวิตนะเพื่อที่จะรักษาธรรมะเพื่อที่จะรักษาศีลสมาธิและก็ปัญญาของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิง่งเนะี่ยควรทำอย่างยิง่งพระเจ้าพูดถึงเราอริยาสาวกทั้งหลายนะว่ายอมเสียชีพแต่ไม่เสียศีลนะยอมที่จะตายแตนะ่ถ้าเขามาบังคับให้คุณโกงมาบังคับให้คุณช่อราดบางหลวง มันมาทำให้คุณผิดศีลเราไม่ทำหรอกเรายอมได้ดีกว่านั่นเป็นเกียรติยศของเรานะคนตายในสนามรบนักรบตายในสนามรบเนี่ยมันมีเกียรติกว่าคุณมาแก่ตายนอนตายอยู่ที่บ้านนะเขา ม, มีความคิดอย่างนี้เนะี่พวกทหารทั้งหลายเช่นเดียวกันเราอยู่ในสังสารวัตรนะ่าจะต้องระจญสิ่งต่างๆปัจฉะมากมายนะซ้ายขวาหน้าหลังนะอยู่ใน ว่าตวนันวนไปวนมาดีก็เจอมาแล้วชั่วก็ผ่านมาแล้วเราจะรักษาใจรักษาเกียรติยศของเราไว้ในดยการที่เรารักษาศีลสมาธิปัญญาแไม่ว่าสิ่งใดจะมาบีบคั้นบังคับข่มขี่ให้เราอาจจะต้องมีการผิดพลาดพลาดพลั้งเผลอเรือไปเอาเราพยายามตั้งสติใหม่ทำให้ดี แต่ทำให้ดีเพื่อรักษาสิ่งนั้นไว้ให้ได้ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นของไม่มีค่านะท่านฟังแต่ว่าถ้าฟังตอนนี้เราไม่ใช่ว่าเอาเงินฉันก็าตายตายไปซะถ้ามันมีแรงกดดันมากก็ยอมตายมันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนะีเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีทางออกเนี่ยมันอยู่นิดเดียวแตนะ่มันจะมีทางออกอยู่ไม่ใช่ว่าอะไรอก็จะเอะก็จะตายนะแต่ว่าทางออกเนี่ยมันจะพอมีอยู่นะตรงที่ภาษีนเนี่ย แม้แต่ศีลในบางทีเร า, เาทําผิดตรงนั้นมีความด่างมีความพร้อยน่ะมันยังพอแก้ไขได้และถ้าเรายังมีชีวิตอยู่าการเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็ทําคืนตามธรรมอันนี้ก็สามารถทําได้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมะรักษาศีลเจริญภาวนาของเราได้แต่ที่ข้าพเจ้าพูดนี้นั่ก็หมายความว่าในบางสถานการณ์ในบางสถานการณ์ที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยาการเสียชีพตรงนั้นก็ไม่ได้เสียหาย ่เป็นความดีความงามซึด้วยซ้าแต่เป็นความดีความงามที่เรารักษาเกียรติยศของเร า, เาไปได้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้เราก้าวล่วงพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายจากภัยคือน้าท่วมครั้งใหญ่ไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือการหนีจนกบเนี่ยเราสามารถพ้นเพราะว่าอะไร แต่เพราะว่าถ้าเรามีการมาเกิดอีกนะไม่ว่าคุณจะเกิดกี่ชาติก็แล้วแตนะ่ถ้าโซดาบัลก็เจีงมากเจ็ดชาติแตนะถ้ายังไม่ได้เป็นโซดาปฏิพันธะ์ก็เกิดนับภบนับชาติไม่ถั่วนละ่ะในการเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมาเจอมันมีโอกาสนะที่ต้องมาเจอไฟไหม้ครั้งใหญนะ่มีโอกาสที่ต้องมาเจอน้ําท่วมใหญ่มีโอกาสที่ต้องมาเจอโจรกบะ ท, ที่มันเกิดตั้งขึ้นนะแก่เจ็บตายนี่ต้องเจอแน่นอน ถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณเจอแน่นอนถ้าเราเจอสิ่งนั้นมันไม่จบสัทีมันก็ต้องมาวนเวียนนะแก้คราวนี้ไปแล้วเกิดนะมาใหม่เอาก็เจออีกโอ้ยก็ต้องแก้อีกนะแก้คราวนี้ไปแล้วยังเกิดมาอีกก็ต้องแก้อีกเจออีกนกะ็ต้องทําอีกพบอีกก็ต้องเช็ดอีกนะเป็นอย่างนี้ Durham, ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นะเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องเจออยู่เรื่อยๆอย่างนี้ เอ้มันไม่เคยเขาา้าตาเอ้ยอว่าเราแก้ไปแล้วนะปัญหานี้ก็ยังกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆอยู่ดีนั่นะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่น่าเขาา้าตาเราแก้ไปแล้วมันน่าจะจบไปแต่มันไม่จบนั่นะจะทําให้จบได้นะก็ต้องอยู่ที่เหตุน่ะว่าถ้าเหตุของมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกนะ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการมาแก้ปัญหาอีกนะอย่างการที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ก็ตามจนคนบวชอะไรพวกนีนะ้นั้นก็เพราะว่ามันมีพบ ในมีการเกิดเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นมาก็ต้องมีพบถูกไหมมีการเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นเรานี้นนเกิดขึ้นมาแน่นอนหลังจากที่เรามีการเกิดเพราะเราจะรักษาทําให้ เ, เจ้าสิ่งต่างต่าเหล่านี้ดับไปได้หายไปได้รักษามันให้จบสิ้นไปเลยอย่างถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยฉีดยาหรือว่าผาตัดมันออกไปแล้วอย่าให้มันโตขึ้นมาอีกให้มันหายไปเลยก็คือเราต้องไปดับที่เหตุ ของเขาแตนะ่ซึ่งเหตุของการเกิดในที่นี้ก็คือพบแตนะจะดับพบได้แตนะ่คุณก็ต้องดับเจ้าอุปทานนะอุปทานคือความยึดตือเราจะดับสิ่งเหล่านั้นได้แตนะ่เราก็จะต้องดับเจ้าตันหาตนะ่ตันหาคือความอยากนะความทยานอยากความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาก็เป็นผลมาจากเรื่องของเวทนามีเวทนาความรู้สึก ความรู้สึกจะเป็นสุขตามเป็นทุกข์ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเหล่านี้แตนะเราจะดับตรงนี้ได้ก็ต้องดับที่เหตุของเขานั่นคือผัสสะแต่จะดับผัสสะนะพวกนามรูปช่องทางในการรับรู้พวกนี้ก็ต้องให้มันดับไปจะดับนามรูปช่องทางในการรับรู้ก็ต้องไปดับที่ตัวผู้รู้แต่ผู้รู้นี่ก็คือหมายถึงวิญญาณนั่นเองทำไมวิญญาณไม่ทําหน้าที่รับรู้ก็เพระาะว่าวิญญาณนั้นยังมีเรื่องในการที่จะปรุงแต่งเป็นอาหาร เป็นเชื้อในการที่จะไปก้าวลงอยู่นั่นคือสังขารนั่นเองแต่จะไม่ให้วิญญาณการรับรู้ของเราเนี่ยไปมีอาหารมีสังขารในการที่จะไปปรุงแต่งต่อไปเราก็ต้องดับตรงสังขารนั้นจะดับตรงสังขารได้นั่นก็ทำต้องทําวิ ช, ชาให้เกิดขึ้นต้องทำอวิ ช, ชาให้ดับไปจะทำวิ ช, ชาให้เกิดขึ้นจะทำอวิ ช, ชาให้ดับไปได้นั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีโภชงคทั้ง7จ็ดจำได้ไหมว่าโพชงค์ทั้ง7เนี่ย เปน็นน ong ธรห่การตรัสรู้ธรรมจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดวิชาและวิมุตต์เกิดขึ้นมาได้แต่เราจะทําโพชฌงเจ็ให้เกิดขึ้นได้และเราก็ต้องมีสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานสี่มีการตั้งมั่นมีการระลึกถึงในเรื่องของกายเวทนาจิตหรือธรรมและสติจะเป็นที่ดันไปสู่วิมุตต์โดยผ่านเรื่องของโพชฌงทั้ง7เราจะมีสติได้เราก็ต้องมารู้ลมหายใจของเรา มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนัเราจะรักษาลมหายใจเข้าคนลมหายใจออกของเรามามีสติระลึกรู้อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของสติถูกไหมเรื่องของอนาปานาสติแต่คุณจะทําสติให้มันตั้งขึ้นอยู่ได้จิตคุณก็ต้องมีพลังแต่พลังที่ตรงนี้เกิดขึ้นจากการทําความเพียร น, นั่นเองแต่มีวิญยะมีสมมาว ย, ยามะตั้งขึ้นเอาไว้ แต่คุณจะทําความเพียรตรงนี้ในรูปแบบไหนละ่ะแต่รูปแบบของการทําความเพียร น, นั้นก็คือการที่ในในจิตของเราการทําความเพียรตรงนี้อย่างเช่นว่าทางกายทางวาจาก็มีโดยการที่ไม่พูดโกหกอาจจะพูดโกหกไม่พูดละหยุดหยุดหยุดไม่ไม่พูดจะรักทรัพย์อก็ไม่ทําล้กันจะตีเค้าจะเบียดเบียนเขาด้วยกํำปั้นด้วยก้อนมือด้วยลมปากเขาไม่ทำแล้กันละตรงนั้นนั่นเป็นความเพียรที่เกิดขึ้นดี แต่คือการรักษาศีลโดยการใช้กําลังจิตของเราเรารักษาศีลให้ได้จิตเรามีกําลังมากขึ้นจิตเรามีกําลังมากขึ้นเราตั้งสติามมานะตสตได้มากขึ้ น, น่เราตั้งสติได้มากขึ้นคุณก็มารู้ลมหายใ้ได้มีสติปัฏฐานสีได้มีสติปัฏฐานสีได้เราคุณนํ า, า, านโพชฌงค์เจให้เกิดขึ้นได้มารู้มีโพชฌงค์เจแล้วทําวิ ช, ชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้่เจ้าอวิชามันก็ดับไป แวิชาค you ือความไม่รู้ที่จะต้องไปปรุงแต่งให้จิตไปปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มันดับไปแล้วและจิตก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปทําหน้าที่ในการรับรู้ไปทําหน้าที่ไปช่องทางทางออกต่างๆและจิตก็สบายอยู่ในภายในของมันไม่ต้องไปมีนามรูปไม่ต้องไปมีผัสสะในกรณีนั้นจิตก็ไม่ได้มีความรู้สึกมีเวทนาใดๆเพราะจิตของเราไม่ได้มีความรู้สึกมีเวทนาใดๆเกิดขึ้นก็เป็นจิตที่เป็นอิสระละ นี่ไม่มีตันหาไม่มีอุปทานนี่มาเกาะมายึดเนี่ยไมเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวที่เวลาน้ํามากระทบมันก็ไหลวัดออกไปเนี่ยน้ำไม่ได้มาข้องไม่ได้มาติดอยู่กับพื้นผิวของมันเนีเหมือนกันจิตของเราที่เมรารับรู้ผัสสะตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้บ้างมีสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เข้ามากระทบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนแต่รับรู้อยู่เห็นอยู่ก็ทําตามหน้าทีมันไปแต่เป็นอย่างนี้เราจะทําความแก่ความเจ็บความตาย นะให้สิ้นไปได้เราไม่ต้องมาเจอภัยนะไฟไห ม, ม้น้ําท่วมหนะีโจรขบฏภัยเหล่านั้นก็ก็ดับไปถึงความเป็นอันสิ้นไปเลิกไปละไปนะด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาของเรานืน้อเองศีล ส, สมาธิปัญญาหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือปัญญาศีลสมาธนะิก็คือใน ต, ตั้งแต่สมาธิฏิจนไปถึงสัมมาสมาธินะรีมาคมีองแ จะเปนจุดที่จะช่วยให้เราพนนะ้นจากทั้งความตายเฉพาะหน้านะจากทั้งความตายนะคือมรณะภัยความตายเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่นะสมัยนี้มันภัยที่มันจะอันตรายยิ่งกว่าไฟไหม้ใหญ่น้ําท่วมใหญ่หรือโจรขบฏต่างๆนี่มันมีเยอะนะหรือภัยที่มันอาจจะหลีกหนีไม่ได้เลยนะช่วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะพ้นตรงนั้นได้ จากภัยทั้งหอย่างนั้นหรือมากกว่านั้นก็ตามนะด้วยการเริงอริยมรรคเมืองแนะพ้นในที่นี้นะคือพ้นที่เหตุนะเพราะเหตุแห่งการที่จะต้องมาเจอปัญหานี้มันได้ถูกดับไปพ้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้คุณหายจากโรคแต่เหตุของการที่จะต้องมีโรคมาเกิดขึ้นมันไม่มีพ้นในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณยังหนุ่มยังแน่นอยู่ตลอดผมไม่งอกฟันไม่หกัก หัวไม่ร้านแต่เหตุของความแก่มันไม่มีพ้นในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีเป็นล้านปีแต่พ้นในที่นี้หมายถึงเหตุของการตายมันไม่มีแต่เป็นการพ้นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆแต่เป็นความพ้นที่แก้ที่เหตุแต่คำสอนของพุทธเจ้าท่านฟังเป็นคาสอนที่มีเหตุมีผล เราจะรู้เหตุเข้าใจผลได้เนีเราทําการศึกษาเห็นที่เราทําการศึกษาอยู่นี้นะฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเนะี่มันในการที่จะทรงสุดตะสังสมสุดตะในการที่เราจะไข่กรวนพิจารณาธรรมะเรื่องไหนเกี่ยวกันบ้างไม่เกี่ยวกันบ้างนะีเอามาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเนะ่พิจารณาแยกยัดให้เห็นแง่มุมต่างๆเนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมะตรงนี้มากขึ้นเราเข้าใจธรรมะ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างนี้แล้วเราจะทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยให้เกิดกันได้เมื่อเราทําความที่สุดแห่งทุกนั่นคือความที่ทุกขนั้นเหต şey ุของทุกนั้นมันดับไปได้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราจะไม่ได้เป็นทุกอีกต่อไปสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราก็จะเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดไปแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเมื่อเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นดับไป สิ่งนั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกันแต่ท่านผู้ฟังยังมีความสงสัยมีคำถามมีความเห็นแย้งในมารกในข้อปฏิบัติให้ถามซะให้ถามในด้การส่งจดหมายหรือปริศนียบัติมาได้ที่วัดปาดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ โดยการไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com e ไปที่หน้าของรายการธรรมรับรุนตรงนั้นจะมีช่องให้สามารถกรอกข้อความได้ให้จำไว้ท่านผู้ฟังให้จำไว้ว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะเจริญเรียมรกมีองแปดเพื่อให้พ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราจาเป็นที่ต้องสละชีวิต ก็ขอให้สละชีวิตด้วยเพื่อที่จะรักษาเกียรติยศเพื่อที่จะส่งไว้ซึ่งคุณธรรมของเรานั่นเองจะรัมผ่าน